พยาสนาสูตรว่าด้วยความพินาศ 6. ภิกษุทั้งหลายภิกษุใดก็ตามด่าบริภาทเพื่อนพระมจารีทั้งหลายว่าร้ายพระอริยะเป็นไปได้ที่ภิกษุนั้นจะถึงความพินาศอย่างหนึ่งในส1อดอย่างความพินาศสิบอ็ดอย่างอะไรบ้างคือ 1. ไม่บรรลุธรรมที่ยังไม่บรรลุสอง เสื่อมจากธรรมที่ได้บรรลุแล้วสสัทธรรมของภิกษุนั้นย่อมไม่ผ่องแผ้ว 4. เป็นผู้เข้าใจผิดว่าได้บรรลุสัทธธรรม 5. เป็นผู้ไม่ยินดีประพฤติพรหมจรรย์ 6. ต้องอาบัติที่เศร้าหมองอย่างใดอย่างหนึ่ง 7. บอกคืนสิกขากลับมาเป็นคลือหัด 8. เป็นโรคร้ายแรง9 ถึงความวิกลจริตหรือจิตฟุ้งซ่าน 10. หลงลืมสติมรณาภาพ 11. หลังจากมรณาภาพแล้วจะไปเกิดในอบายทุขติวินิบาตนารกภิกษุทั้งหลายภิกษุใดก็ตามด่าบริพาสเพื่อนพรหมจรีทั้งหลายว่าร้ายพระอริยะเป็นไปได้ที่ภิกษุนั้นจะถึงความพินาศอย่างหนึ่งใน11อยา่าง ภิกษุใดก็ตามด่าบริาพาทเพื่อนพรหมจรีทั้งหลายว่าร้ายพระอริยะเป็นไปไม่ได้เลยที่ภิกษุนั้นจะไม่ถึงความพินาศหนึ่งใน11ออย่างความพินาศส1บอ็ดอย่างอะไรบ้างคือหนึ่งไม่บรรลุสิ่งที่ยังไม่บรรลุ 2. เสื่อมจากธรรมที่ได้บรรลุแล้ว สัตวัทธารรมของภิกษุนั้นย่อมไม่ผ่องแพ้ว 4. เป็นผู้เข้าใจผิดว่าได้บรรลุสัทธารรม 5. เป็นผู้ไม่ยินดีประพฤติพรมจรันร์ 6. ต้องอาบัติที่เศร้าหมองอย่างใดอย่างหนึ่ง 7. บอกคืนสิกขากลับมาเป็นขลือหัด 8. เป็นโรคร้ายแรง 9. ถึงความวิกลจริตหรือจิตฟุ้งซ่าน1ิบ หลงลืมสติมรณาภาพ11อหลังจากมรณาภาพแล้วจะไปเกิดในอบายทุกติวินิบาทนรกภิกษุทั้งหลายภิกษุใดก็ตามด่าบริาพาสเพื่อนพรหมจรีทั้งหลายว่าร้ายพระอริยะเป็นไปไม่ได้เลยที่ภิกษุนั้นจะไม่ถึงความพินาศอย่างหนึ่งในส1อดอย่างพยสนะสูตรที่หโจบ